พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12พฤศจิกายน2559หมีชื่อเรื่องว่าหยุดเกิดก็หยุดทุกข์เสร็จแล้วยังลูกหลานอยู่ในความสงบเมื่อวาน หลวงพ่อออกไปดูงานที่พวกคูบาขนขยะขึ้นมาจากลําคลองห้วยลางยังไม่เสร็จนะวันนี้ให้คูบาไปชวยๆกันดูอีกนะให้หลวงตาตองเป็นหัวหน้านะหลวงตาตองน่เป็นผู้จํานาาการพ่ก เคยเป็นคารวะมาแล้วคูจักวิธีการเอ่นครูบาองค์ใดไปเป็นโชบไปซอยกันลื้อออกให้มดมือนเนี่ยเพื่อเปลี่ยนทิศทางของนม้มคือหวยล่างมันมีมันมีหอมันไม่หวย่างเก่าบาดนห้าไปเห็ดซี่ีไว้สำหรับสาหรับกันสั์ออกไป บอยซั์ออกไปผกเกง่งผกหมูปลาผกมันไว อ, ออกอยู่ในลำร่างพ่อหน้าแหลงมันหํา ม, มันหน่อยมันเกิดเสียอีกแนวหนึ่งบานนี่พ่อโต๊กนาห น, า, นามไหลมาเนะี๋เมื่อกี้เฮ่อมันมาเปย์พอนมะันมาเปย์นะหนามไหลบ่ได้บานเนี่ยหนามไหลอะไรหนาเปลี่ยนทิศทางไหมบ้านนี้โอ้ยกว้างเป็นหวยไม้ได้ไเปิืงบอจือดเป็นถึง สิบเกือบยีสเมตรของความกว้างของห่วยล่างหลวงพ่อไปเห็นมือวาดนโอ้ตายก็เลยเห็นผลือล่อลื่นตรงที่เป็นห่วยเกา่าที่เป็นขยะที่มันเปื้อยู่ในซีปูนซีเมนต์ออกให้นน้ำไหลกลับมาทางเกา่าแล้วก็ปิดทางนั้นปิดทางนามม้ำใหม่นี่แหละมือวาดหลวงพ่อไปเห็นนะผ้า ลืออยู่เกือบมัดหมือนปอแล้วมักี่เหอะมันหลายมีมัดอยู่ในหันมันออไปอที่ของจากชาวบ้านของชาวบ้านมีพวกด้าบพวกไอ้ยังไอ้ยังตัวไ อ, อ้ยังอยู่ในหัน <c oughs> มันออไปมงพอไปนนางเบงว า, านประดานมือในใพวกกบ่าไปซอยๆกันเนอะและอีกต้นไม้ ทีหนามมันหลูกมันไหลทับขี่ไา้มันไหลทับกับการเหตุพท่านแล้วสอชอยๆกันไปเด็ดอีกไปฟื้นขึ้นมาให้เบิ่งๆนะให้ท่านรุ่นไปเบิงๆๆ่งชอยๆเบิ่งไปตรวจตาเบิง่งชอยๆกันตรวจตาดูต้นใหม่ที่มันหนามไหลทับมันไม่ขี่เหอะขี่ต่อมอมันปิดมันทับต้นใหม่ก็ไปถึงขึ้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมา แล้วก็เอาใหม่เสียบให้มันเป็นให้มันตั้งตน้นตั้งลำอะลรอีกก้มันตั้งตน้นตั้งลำไะไรมันก็จะขึ้นระบาดนี่พอวานา้ำมันมายางแล้งเลยเสียหายอย่างที่หลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วนะเรื่องสำกัาแพงก็หลบหล่มวัด <c oughs> หลายช่องเป็นลอยโกเม็ด แต่ถนนขาดเในวัดมันมเมนต์ขาดถนนดินลาบเนียมันล่องห่วยอ่ะพอลงห่วยเห่าเหตุเป็นบล็อกคอนเวิร์ให้ค้นขามแต่นี้มันน้มกระแทกมากมันขาดมองกลางห่วยเลยเลิกเป็นหึสิบกว่าเมตรพอน่ะก็เลยนี่แหละปัญหาในวัดของเราพรามันสรุปแล้วก็คือทีมันกว้าง ทีวัดของเข้าทำมัดพันสามรอยหาซิปลัแล้วก็มีห่วยใหญ่ผ่านก่างเนี่ยแหละปัญหาคือห่วยใหญ่ที่ผ่านก่างวัดเนี่ยเข้าก็ทำให้เคลื่อนมันก็มีประโยชน์เป็นที่สัตว์ปลาพวกสัตว์ทั้งไหนได้พึ่งผาอาศัยพวกกุ้งหอยปลาปูมันก็อยู่ในห่วย อารม์สมบูรณ์แต่ว่าพิดไพ่ของมันก็อย่างที่พวกเข้าได้รู้ได้เห็นนี่ยอันไหนมีคุณอันไหนก็มีโทษอันไหนก็มีโทษมันก็มีคุ้นอยู่ในหันคือกันพะอันไพวกเขาเบื้งข้าวมันมีโทษเขาก็ต้องแก้ไขแหละมันมีคุ้นก็แล้วไปแต่ตรงที่มันมีโทษเนี่ยพวกเข้าต้องช่วยชวยกันดูให้ ผู้ใดผู้หนึ่งองค์ใดอ ง, งองค์หนึ่งเบิง่งบ่บใดละงานเน่ต้องพร้อมต้องการความพร้อมเพียงสามคัคคีคนในวัดของเขานะต่างฝ่ายในขั้วก็บเบิ่งช่วยๆกันเบิ่งนะทั้งกูบาทั้งหลายแต่ช่วยๆกันเบิงนะงบงเบ่งมันกระบกกี่มือดอกเดี๋ยวจะจบหรอกกันเสียหายคือมากกับเสียหายนมนั่นวันนี้เป็นวันที่12วันเสาร์ที่สิสอง พทธจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมนายูงถนนหนทางตัดขาดอำเภอนายูงอยู่ในเกาะกลางดงหลายวันพอสมควรสองสามวันจึงทําถนนผ่านเข้ามาได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ถนนทุกสายก็ไปได้สะดวกพอสมควรแหะ แต่จะให้สะดวกเหมือนแต่ก่อนก็คงจะไม่เพราะว่ามันเหม็นอะไรทำถนนเหล็กเขายกถนนเหล็กมาพ า, พาดพาดพาดก็ทำให้รถโดยสารวิ่งได้อะไรวิ่งได้รถบัสวิ่งได้ก็สะดวกในระดับหนึ่งต่อไปก็คงจะซ่อมหัวสะหัวสะพานโดยมากหัวสะพานมันขาด ในละแวกนี้ในช่วงน้ำท่วมคราวนี้ครั้งนี้เสียหายคือหัวสะพานแต่ตัวสะพานแท้ๆก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นคอนกรีตแต่หัวสะพานจุดอ่อนของสะพานทุกสะพานเพราะทางหลวงทั้งหลายกันรู้อยู่แล้วว่าหัวสะพานมันมีจุดอ่อนทางหลวงทั้งหลายก็น่าจะคิดได้หลวงพ่อนะมีติดปิญญาโทรปริญญาเอกทั้งทั้งนั้น แต่หลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อยังคิดออกขนาดป .4 นะหลวงพ่อยังคิดออกว่าจะแก้ไขยังไงลงทุนหน่อยเดียวทําไม่ทําำทําให้ไม่หัวสะพานขาดนะคอสะพานไม่ขาดทํำยังไงเนอะ่ถ้ามาศึกษากับหลวงพ่อนะปริญญาเอกนะหลวงพ่อจะสอนให้เมื่อนั้นถ้าหลวงพ่อพูดจะได้เหมือนกับก้าวไกลนะแต่ตามไม่จริงกับอย่างนี้ ไปที่ไหนก็นมีแต่หัวสะพานขาดล้มพ่อเลยรลำขาดก็เลยพูดคํานี้ขึ้นมานะเ อ, อพวกทางหลวงเนี่ยทำยังไงตามไม่จริงน่าจะแก้ไขวิธีการแก้ไขมันจะยากอะไรลงทุนอีเองแล้วก็มันหัวสะพานมันขาดมันสะพานขาดทุกอันเลยเออทําไมแต่มันแก้ไขไม่ได้หรือเพียงแค่นี้กร็รู้ๆอยู่เลยน้ําท่วมมาจะอะไรกับหัวสะพานขาด คอสะพานขาดตรงถนนเชื่อมกับสะพานตรงนั้นมันขาดบู๋เวไปหมดจะทําวิธีการแก้ไขไม่เห็นมันยากที่ตรงไหนเลยหลวงพ่อไปมองเห็นแล้วขนาดปอซีอย่างหลวงพ่อเน่หลวงพ่อยังมองเห็นได้จุดอ่อนของมันคือตรงไหนทำไมทางหลวงมันไม่ได้เรียนศึกษามาทางวิศวะทางนี้เหรอหลวงพ่ อ, อยังไหวนะฝากไปหากรมทางหลวงด้วยนะลูกหลานนะขัน ได้ยินฝากๆไปหากรมทางหวงด้วยทำไมหัวสะพานมันจึงขาดอย่างนี้บ่อยๆไม่มีวิธีการแก้ไขให้มันดีกว่านี้หรอเนี่ยแหละทางอาเภอนายูงของเราก็เป็นเกาะทางโปง่งทองกับคอสะพานขาดทางห้วยนายูงทางห้วยทายทางนี้ก็สะพานขาดทางไปน้ำโสมก็หัวสะพานขาด ทางไปปูก้อนก็คอสะพานขาดบ้านเพิ่มก็คอสะพานขาดเนี่ย <c oughs> ดูๆแล้วมีแต่คอสะพานขาดวนไปสะพานยังดีอยู่แต่คอมันทนะี่มันเชื่อมกับสะพานนะดินมันถล่มลงไปเอผลในายจูก็ได้เอาเนี่แหละเอาสะพานเหล็กมาพาดเออหรือเอาไม้มาพาดสะพานเหล็กมาพาด เสียงไหมมันก็เสียงอยู่เอาไม้มาพาดอันตรายอยู่แต่มันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทํำยังไงนะอันนี้ก็คือช่วงนี้เราอยู่ในเกาะเลยสองสามวันแต่วันนี้ออกได้แล้วแหละพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้อําเภอนายโงใครจะมากราบพระภูกอนก็มากราบได้ไปมาหาสูตได้สะดวกแต่ละนะสะดวกพอสมควร แต่ถึงยังไงก็ตามแล้วพี่น้องจท่า ญ, ญาติโยมโลูกหลานนั้นนี่คือภัยภัยวิบัติเราไม่คาดคิดเราไม่คาดหมายเราไม่ได้คาดล่วงหน้าแต่ตามที่จริงคาดอยู่คาดลงหน้านะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่ อ, อไหรเวลาใดเราก็ไม่ได้ตั้งรับต่อสู้พอสมควรอย่าง ก, กำแพงหลวงพ่อหลวงพ่อกวทําทดีที่สดุดแข็งแรง ออกจากลำห้วยไปก็ทำเป็นแผงเข้าไปยาวไปเกือบสิบยี่สิบสามสิบเมตรเพื่อไม่ให้น้ำมันกัดเซาะแต่มันเอาเลยกว่านั้นไปอีกทีนี่มันเลยกว่าที่เรา ต, ตั้งเตรียมท่าไว้อีกนั่น เ, เป็นรูโวเลยทีนี่นี่นแหละกับธรรมชาติเราจะทำยังไงได้แล้วก็แก้ปัญหาไปเป็นอั น, อนเป็นเรื่อ ง, เ ร, องเราวไปเท่านั้นเอง นี่แหละแต่ถือยังไงก็ตามอันนี้เลยให้งงถือว่าเป็นภัยอุตกระภัยภัยเกิดจากน้ำท่วมเกิดภัยจะเกิดจากน้ำแล้วก็วาตภัยเกี่ยวกับพายุช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมพายุนั่นแหละพายุโชนร้อนพายุอะไรที่เข้ามาเนี่ยว่าวาตาปะวาตาวาตประปะภัยวาตภัย อักคีภัยก็คือไฟภัยจากาไฟไหม้โจรภัยภัยคือจากโจรผู้ร้ายศึกสงครามมันมีมากาเรื่องภัยต่างๆที่จะหลวงพ่อที่จะเล่าให้ฟังในของล้วนแล้วแต่พวกเราได้เตรียมพร้อมกันทั้งนั้นภัยติดตามมาโดยตลอดก็คือ ภัยความแก่และก็ภัยความเจ็บและกบมรณะภัยคือความตายในที่สุดอันนี้คื อ, คอเราอยู่ในโลกวัฏสงสารนี่ไม่เจอครั้งใดก็เจอครั้งหนึ่งคราวหดก็ต้องคราวหนึ่งไม่มากก็ต้องน้อยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมองบวกลบคูณหารดูแล้วว่า อยู่ในโลกวัฏสงสารนี่มีแต่พิษภัยมีแต่ความ อ, าอยากอยู่ในความหวาดผวาอยู่วยความทุกข์ยากลำบากท่านจึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติคือตรงไหนอย่างไรความสุขที่แท้จริงว่าข้าพเจ้ามีเงินมาก มีเงินมากกับกลัว ค, คนจะมาเบียดบางกลัว ค, คนจะมาคดโกงกลัว ค, คนจะมาป่นมาอะไรมากมายอีกเหมือนกันหาความสุขไม่ได้ทุกในการการมีอีกต่า ง, งหากถ้าเราบอกเออเอาเถอะมันมีมันทุกข์วะไม่ต้องมีแล้ววะไม่ต้องมีก็ทุกข์อีกแบบเดี๋ยอีกไม่มีอจะอยู่จะกินจะไปที่ไหนก็ลาบากอีกบอกเออเอาเถอะ ทุกมีดีกว่าทุกย่นเนะก็ยอมรับไปอย่างนั้นไปอีกมันก็ดีกว่ายามทุกมีก็ดีกว่ายามยามทุกที่มันจนเออแต่มันก็มีความทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมีก็ทุกไม่มีก็ทุกเอออยากติโก้โหติกามีมากเหีียวก็ทะเลาะวิวาทกันก็ทุเอีกลูกศรลูกหาศรัทธาญาติโยม อยู่ด้วยการหลายคนทะเลาะ ก, กันไม่เข้าใจกันก็ทุกข์อีกถ้าไม่มีซะเลยก็ทุกข์อีกมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทุกข์ขังทั้งหมดถ้าเราคิดดูให้ดีนะมันตามมันเป็นตามตามความเป็นจริงของที่พระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกที่ท่านได้กล่าวได้สอดไว้เพราะนั้นพวกเราเออเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพระพุทธองค์สอนไว้ จะทำยังไงจึงจะแก้ทุกเหล่านั้นได้พระองค์ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากบาเพ็ญทางด้านจิตใจชำระกิเลสภายในใจไม่ให้มาเกิดท า, าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายถ้าเดี๋ยวนี้ยังเกิดอยู่ยังเป็นวิบากบบเป็นวิบากในอดีตคือวันก่อนวันหลังที่เราเกิดขึ้นมาแล้วอดีต เป็นวิบากในอดิตชาติแต่พอมาชาตินี้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพุทธะเรากำจัดกิเลสภายในใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงในจิตใจออกจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจากนั้นก็หยุดหยุดในการหมุนเวียนหยุดในการก้าวเดินแปลว่าสต๊อปอหยุด ในการก่อพบ่อชาติต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าสิ่งที่จะให้เกิดนั่นคืออะไรพระพุทธองค์ไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพวันเดือน6กเพนเพระองค์ได้ค้นคว้าศึกษาดูแลดูแล้วท่านจึงได้ตัดสูตรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านประกาศแล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ลำที่เราทำสิ่งที่ทําให้เราเกิดก็คือ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงแต่บัดนี้เราได้ชำระกิเลสเหล่านั้นออกจากระไทยของเราแล้วด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราพ้นจากอวิชชาคือความโง่เง่าแล้วเราเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว นี่แหละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงตามแนวแถวของพุท ธ, ธะถ้านอกจากนั้นลงมาแล้วมันมองไม่เห็นเลยความสุขในโลกวัฏสงสารแต่ละสรรพสัตว์ท้งหลายถ้ารู้ถ้ารูในถ้าเราดูในสารคดีท่องท่องสัตว์โลกโอ้โหดูดูแล้วมันไม่น่ามากเกิดเลย เพราะนั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เถอะก็เรื่องราวที่สาหรับมนุษยชาติก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราไม่คาดไปคิดเหมือนกันเดือนสิบสองแล้วเนี่ยเดือนออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนเดือนสิบสองก็จะหมดอยู่แล้วลมล่อยอีกไม่กี่วันกับเดือนสิบสองเพนทำไหมฝนมันม า, มาได้อย่างไงเออฝนหลงฤดู จะวัฤดูก็ไม่ใช่มันก็อยื่ในเขตฤดูฝนอยู่แต่ส่วงโค้งสุดท้ายนะ่ะเออถ้าเป็นนักมวยกไปว่าเกือบจะตีละคังแป้งแล้วกันเอ่อไปว่าโดวน็อกนี้ก็เหมือนกันนะวัดของเราไนะคาดว่าจะหมดเขตฤดูฝนเดือนสิบสองเพนสองวันข้างหน้าเนะ่ยหมดหมดเขตฤดูฝนหมดเขตกระถินนะเอ่อมันก็พาย อุตกระภัยกิถล่มลงมาคืนวันที่แปดนะคืนวันที่แปดสี่ทุ่นะอแล้วก็เที่ยงคืนเป็นวันที่เก้าเห็นไมละ่ะวันตีหนึ่งก็เป็นวันที่เกนะ้ามันถล่มมาตั้งแต่วันคืนวันที่แปดประมาณสักสี่ทุ่มแต่หลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อนอนหลับแล้วประมาณนั้นหนะลวงพ่อพักตามปกติหลวงพ่อจะพักประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะ มันก็คงจะมาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆหลวงพ่อกำลังนอนหลับพอฟ้าร้องเสียงดังนะประมาณเ ท, ที่ยงคืนหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาเพราะฟ้าร้องแร ง, นะงแรงมากๆเลยจนแผ่นดินกระเทือนหมดนะหลวงพ่อก็จับไฟฉาย ช, ช็สองดูไอนาฬิกาเวลาเท่าไหระ่ะเพราะเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนโอ้โหทำไมแรงนักกว่าว แล้วก็ตกติดต่อกันไปฟ้าก็ร้องอยู่ตลอดนะจนถึงตีสามตีสี่นะวันนะั้นฝนยังได้หยุดโธมันน้ำจะไม่ท่วมหรอเนี่ยวะแต่มันตกแต่เฉพาะวัดเราเขาไม่เป็นไรหรอกวนะถ้ามันตกวงกว้างแล้วก็หน้าห่วงนะวันนี้วะปูนที่จุดไม่ใช่ตกวงแคบแตมันต ก, กวงกว้างเนะทั้งอำเภอน้ำโสมนายุงนะจะนี่ยมือเช้ามาก็ติพระรีบรายงานตั้งแต่ ยังไม่สว่างขึ้นไปรายงานหลวงพ่อน้ำท่วมหลวงพ่อเท่านั้นแหละโถโถหลวงพ่อก็ลงรีบลงมาเลยเดูจัดของสิ่งของอันไหนที่มีคุณค่าราคายกให้เปขึ้นสูงให้หมดกว่าจะเสร็จได้เกือบแปดเจ็ดแปดโมงหวันนั้นลูกปลาไม่ได้บินทบาทเลย บินทบาทก็ บ, บินทบาทไม่ได้ต่างหากพรามน้ําท่วมทางสายบินทบาตเนี่ยผมที่ไปบิณทบาทไปก่อนหลวงพ่อไปก็เกือบกลับมาไม่ได้อีกน้ํามันขึ้นอย่างเร็วเลยนี่แหละอันนี้เล่าเท้าความให้ลูกหลานได้ได้ยินได้ฟังเป็นเป็นประวัติการเหมือนกันเนะ่ยเป็นประวัติศาสตร์อีกอวันหนึ่ง ที่น้ําท่วมวัดป่านาคำน้อยของเราเสียหายถนนหนทางแต่ก็อย่างอื่นก็ไม่ได้เสียหายเราพระเนรทุกยิงทุกอย่างก็เรียบร้อยเทเสนาสะนะอะไรทุกอย่างก็น้ำก็ไม่ท่วมหรอกเพราะาก่อนที่เราจะปลูกเสนาสะนะเราก็ได้คิดในความปลอดภัยเหล่านี้ไว้แล้วแต่ว่าที่มันอยู่ในลําคลองลํารางใกล้ๆนั้นะ เราก็จะทำยังไงได้ธรรมาชาตินะแต่ปีหนึ่งลงพ่อจะไม่ผิดมั้งปีสี่สี่แปดแล้วยังไงเนะี่ยที่วันน้ำมาคราวนั้นก็รู้จึงวันแรงนะแรงมากแต่จะมาเปรียบเทียบกับคราวนี้สู้คราวนี้ไม่ได้คราวนี้มากกว่า mm hmm. เพราะว่าคราวก่อนมันล ด, ลดมดุดพื้นสะพานที่เราข้ามไปเนะี่ยประมาณสักฝา่ามือแล้กนึงครึบเลยแหละมันมัน น้ำมันจะรลอดนอดตอดใต้สะพานแต่คราเนี่ยมันขึ้นข้ามทางหัวถนนมาเลยเทั้งสองฝากฝัง่งเลยไปว่าน้ามันเกือบครึ่งฝาผนังกับสะพานเลยปีนี้ถ้าจะพูดขึ้นมาอีกมันขึ้นอีกประมาณศอกกว่าๆนะแต่คงจะไม่ถึงเมนะ็ดเป็นมันศอกกว่าๆเลยมากกว่าปีปีนั้น แต่ว่าความเสียหายก็อย่างว่าพราะเสียะปีนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมการคงจะเสียหายมากกว่าปีนี้เรื่องกำแพงนะเกือบ200กว่าเมตรเขื่อนที่กันน้ําทางหลวงมาทําให้ก็ไม่แข็งแรงกับถล่มไปทั้งสองฝ่ายเหมือนกันปีนั้นอันนี้ก็คือพูดความเสียหายทางด้านวัตถุให้กับพวกเรา ถึงฝายจะขาดกำแพงจะขาดหลวงพ่อเขาไม่ได้พิตกกังวลอะไรมากหอกข้อสาคัญพระในวัดของหลวงพ่อเนี่ยใจจะขาดกันแล้วกัน ถ, ถ, ถ้าพระในวัดหลวงพ่อใจขาดเออขนะนาดนาปิตกกังวลเอออันนี้สะพานขาดแล้วนีน่ไม่เป็นไรเอาไว้นั้นก่อนแต่เมื่อวาแต่เมื่อวานนี่กันเนะ เก่งนะมันกระโดดขยงงเขยงออกไปจากใกล้ๆที่สะพานจะขาดเหมือนกันนะยังดีพอหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อรีบนะเอาไม้สักเอาไม้ไปปักพอไปปักแล้วก็ตีราวใส่ราวสแล้วก็ใส่สังกะสีปิดไม่ให้พวกสัตว์ไปได้พวกเก้งนะพวกเก้งพวกหมูป่าก็มีอยู่พวกเต่าพวก กระจงพวกอีเห็นอามากในสัตว์ในวัดของเราแต่มันออกไปแล้วมันจเจริญรุ่ ง, รงเรืองหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้มันออกไปแล้วมันจะเข้าหมอกเข้าหมกแกงเขาหน่อยสก็เลยเป็นห่วงออออกไปจากวัดเขามีแต่สวนยางทั้งหมดเอาชาวบ้านเขาก็จะเอาไปอาหารโอชะเกิดขึ้นมาแล้วจะว่าอีกเราก็สงสารพวกสัตว์น่ะอให้พวกพระทำ รู้สังกษีปิดนะแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ไปตรวจดูอีกว่าการทำของพระนะคิดวัดพระก็เคยเป็นช่างมาก่อนแล้วกนะ็คงจะดูความเรียบร้อยก็คงจะดีขึ้นละหลักนะนี่แหละเมื่อวานก็เห็นเก่งกระโดดขยโงขงเขียงอยู่แถวนนะ้นใกล้ๆกำแพงขาด น, ะนี่แหละวัดวาศาสานาจะเท่าอย่างไรทศดาวจจิาญาณโยมเนื้อทีวัดของหลวงพ่อทั้งหมดก็ ที่กำแพงร้อมรอบเนี่ยพันสามร้อยห้าสิบไร่กว้างของวัดะและกับกำแพงที่หลวงตามหาบัวท่านมาสร้างล้อมรอบกำแพงยาว600ก6ก0กกิโลกับ็กว่าเมตรเกือบ7กิโลมันจะไม่ใช่แคบเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ให้มันมีปัญหาเฉลยมือคงจะเป็นไปไม่ได้ เอาละมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไปจุดนั้นเป็นจุดจุดไปนะแต่ถึงยังไงก็เราไม่ได้ใส่ใจทั้งด้านวัตถุเราใส่ใจเรื่องเรื่องนามธรรมให้ตรงวกตั้งใจภาวนาของใครของเรานั่นแหะคือจุดใหญ่แต่สิ่งภายนอกเราก็ช่วยกันทำมันมีอะไรขึ้นมาก็ช่วยกันแบกช่วยกันถามช่วยกันจัดช่วยกันทำาช้ไมันจบไป เ, เมื่อจบแล้วคื อ, อ้าวตั้งใจภาวนาปฏิบัติหาศีลหาธรรมต่อไปหาทางพ้นทุกข์่ามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดมาอาจจะทุกข์กว่านี้เผลอๆอจจะไปลอยคอที่ไหนก็ไม่ทราบเละเกิดมาพบนาชาตินาแต่ยังไม่ได้ลอยคอเพราะมันเป็นป่าดงมันมีที่เนินที่สูงอยู่เพราะนั้นเรื่องเกิดมาในโลกนี่ไม่พบเลยก็ต้องชาตินึงละ ผลหลักของพุทธศาสนาและตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะคณาจารย์ญาติโยมโลูกดานทุกคนนะให้ศึกษาจุดนี้ถึงจะไม่เชื่อก็ต้องศึกษาซสก่อนอย่าไปเชื่อความคิดความคิดความอ่านของตั ว, ตวเองต้องฟังถ้าว่าข้าพเจ้าพูดอะไรคิดอะไรถูกหมดพวกเราก็คงจะเป็นเศรษฐีได้ไง่ายๆเหมือนกันนะทำไมลุงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเอ้า ออทานเราคิดอะไรกระทูกไปดูสิข่าวนี่ยลอตเตอรี่จะออกตัวนี้นะไปซื้อเอาซื้อเอ า, อเอามันก็รวยรใช่ไหมอันนี้มันคิดว่ามันจะออกตัวนี้มันผิดไม่รู้กี่ครัง้งตัวกี่หนใช่ไหมละ่ะ เ, เพราะนั้นเราคิดผิดมาต้มนมนานออการคิดวาสตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสู่มันจะแม่นที่เดียวเลยไม่ไมน่าจะเป็นอย่างนั้นพอเราต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องศึกษาต้องถามท่านผู้รู้ก่อน อันนี้คือหลักของพุทธะนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนรโมทนาให้พรพวกเราที่ทำบุญของคุณยายบุญมีผู้พวกอุที่ส่วนกุศลหนนะ้าลูกหลานหะน้ที่ส่วนกุศลถึงคุณแม่พวกเราแม่ของพวกเราเป็นคนที่เข้าวัดเขาวาเลยรักษาศีลภาวนาไปต า, ตามวัดต่างๆไม่ใช่แต่มาวัดตรงพอนะ่อไปวัดครูบาอาจารย์ ไปฟังเทศฟันฟังธรรรักษาศีลภาวนาให้ลูกหลานทั้งหลายให้ถือเป็นตัวอย่างให้ถือคุณยายเป็นตัวอย่างนะคุณยายเป็นคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมและลูกหลานนะยะถาวาริว